ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติผู้ฟังทำก็จะย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังผู้ฟังทำสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็าอาจจะเข้าใจผู้ฟังทำ ยอมบรรเทาความสงสัยเสียได้ผู้ฟังธรรมจิตยอมผ่องใสผู้ฟังธรรมยอมทาความเห็นให้ถูกต้องเป็นสมมาทิฐินี่เอาในสงของการฟังเป็นพระหูสูตรเป็นมงคลได้ยินได้ฟังมากแล้วก็ส่วนประกอบ ก็คือการปฏิบัติธรรมจเจริญสติโดยที่จเจริญสติก็ยอมได้กระแสแห่งมอกผลในาพาดโดยเจริญสติเห็นความคิดกระแสก็คือเห็นความคิดที่มันลักคิดเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเป็นกระแสตรงกันข้ามมันกับความเมิดมองเห็นแสงสว่างมองให้เห็นทาง แสงสว่างทาให้เห็นหนทางความหลงหรือว่าไม่เป็นทางความรู้สึกตัวเป็นทางพอดำเนินไปตามทางผู้ที่จเจริญสติอะไรก็ตามเห็นตรงกันข้ามเป็นคู่เห็นหลงก็เห็นความโูภเห็นความทุกข์ก็เห็นความไม่ทุกข์ เห็นความโกรธก็เห็นความไม่โกรธตรงกันข้ามไม่เป็นดันเดียวมองตรงกันข้ามตลอดทั้งเห็นความแฉ่เห็นความเกิดก็ต้องมีความไม่เกิดเห็นความแฉ่ก็ต้องมีความไม่แฉ่เห็นความเจ็บก็ต้องเห็นความไม่เจ็บเห็นความตายก็ต้องเห็นความไม่ตายนี่เรียกว่ากระแสกระแสแห่งมรรคผลในผ่านกระแสน้อย ใหม่ๆอาจจะเท่าแสงเหงืห้หอยวับวแวมแวมก็ย่างดีต่อไปก็อาจจะแสงทูปแสงเทียนต่อไปอาจจะแสงเนออนต่อไปอาจจะแสงดวงทิศดวงไอจันเรียกว่าลูกแจ้งโลกลูกแจ้งโลกก็อย่างนั้นพูดปฏิบัติธรรมยอมได้กระแสการปฏิบัติธรรมตัดไปเลยไม่ใช่ เพื่อสละเสรินไม่ใช่เพื่อราบสกุลละไม่ใช่เจ้าลัทธิเป็นการบรรลุถึงคุณธรรมหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกายใจบริสุทธิ์กายใจบริสุทธิ์ถ้าเป็นลัทธิปฏิหารลัทธิปฏิลิทธิปฏิหารคือทำให้สำเร็จ การทำให้สําเร็จคือทําความดีได้สําเร็จเมื่อเกิดความหลงทำความหลงให้สําเร็จหมดไปเกิดความรู้มาแทนเมื่อเกิดเมื่อมีความทุกข์ทำให้ความทุกข์หมดไปเกิดความไม่ทุกข์มาแทนสําเร็จฤทธิ์นี่ว่ามีฤทธิ์ที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมเฮ้ยสุบุรีเลิกสุบุรีเฮ้ยดื่มเหล้าเลิกดื่มเหล้าเนี่ยฤทธิ์นี่ว่าทำให้สําเร็จ ทำความชั่วเวเร็วไหลให้หมดไปทำความดีให้เกิดขึ้นเรวว่องริดปฏิหารนี่ริดแบบนี้ทำเมตผลในพานให้เกิดขึ้นทำความทุกข์ให้หมดไปเรว่าลริด ท, ทิปฏิหารความสงบผูสงบจากค่าศึกสงบจากการปรุงป ง, ปงแต่งแๆเคยง่วงเหงาหอนอนไม่ต้องง่วงไม่ต้องง่วงพ้นไปได้เก่ง มง่วงอยู่ที่ไหนไม่รู้ผมหลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สาเร็จแน่นอนจิตนิ่งสําหรับจิตนี่ยอดเยี่ยมอเป็นของที่เจีวสารพัดนึกภาวะของจิตภาวะของกายก็ลูกหมดแล้วสิ่งไหนไม่เที่ยงเสียงไหนเป็นทุกเสียงไหนไม่ใช่ตัวตนลูกหมดแล้ว ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนครอบครอบของรูปรูปตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปหลงไปโศกไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปหลงกับสิ่งไม่เที่ยงไม่ต้องไปหลงกับสิ่งเป็นทุกข์ไม่ต้องไปหลงกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหลุดไปได้ลรอพ้นไปได้เรื่องของรูกไม่มีอะไรที่ไปค่้องแวะอีก มีแต่จิตที่บริสุทธิ์นะมีแต่จิตที่บริสุทธิ์จิตบริบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองมีโลคเป็นโกรธไม่หลงเป็นต้นทําให้จิตเศ้าหมองพ้นจากความเศร้าหมองทําลายลงได้ลาบเรียบลงไป โ, ง, โง่โง่หลงงมงายต่างๆลาบลงไปเพราะจักแห่งธรรมบดไปขยี้ไป เหมือนรถบทถนนผลทางที่ให้มันได้มาสสถานมันเป็นมิตรภาพราบเรียบอามลายความโลภความโกรธความหลงหมดไปเรียบลงไปไม่มีสะดุดเดี๋ยวชีวิตเรียบเหมือนหน้ากองชัยพระพุทธเจ้าศาสนาภาษีอาลีอเมตไตชีวิตมันเรียบเหมือนหน้ากองชายกองชัยเนี่ยมันเรียบหุ้มด้วยหนังมันตึงมัน เรียบไม่มีสะดุดเพราะอะไรเพราะมันทําลายสิ่งที่ขู่คะให้เรียบลงได้ความวิตกกังวลเศ้ามองเอาอันนี้เป็นเจนสินี้เป็นเจนไม่ใช่เอาลูกไปขูปไปเฉียนเอาคำพูดเอาอะไรจิยาอะไรเป็นหลอกกันไม่ใช่เรียบทางชีวิตจิตใจก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาะ ในเกณฑ์มันเป็นนี่เหมนกัเอามัดโหลดเกณฑ์ของโรงเรียนเกณฑ์ของอะไรต่างๆได้เกณฑ์ได้มาตรฐานนี่ไปทางนี้นะปฏิบัติธรรมอย่าไปคงไปแวะอย่าไปหลงอย่าไปมองอะไรที่มันไม่ใช่มันเป็นไปทํานองนี้แม่ยังไม่เป็นมันก็มองไปโน่นหลอเออกระแสกระแสแห่งมรรคผลในพันนะ ความไม่ปรุงปรุงแต่งแต่งความไม่ผู้ผู้แฟบแผลเรียบไปเลยเรียบไปเลยเรียบไปเลยจิตนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยสาหรับจิตนี่แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดจิตจะเป็นอย่างไงก็ตามจิตต้องแน่นอนไหวแล้วหลักของจิตมีแล้วหลักของจิตอยู่แล้วมีตรงไหนมีตรงที่ไม่เป็นอะไรสภาพจิตไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรภาวาที่ไม่เป็นอะไรไม่ใช่คำพูด มีแต่ น, นิ่งมีแต่ น, นิ่งความนิ่งความไม่มีอะไรนะ่ะเป็นเป็นหลักสภาพของกิจไม่มีคําพูดใดๆปรมัติษฐ์สภาวัฒธรรมไม่มีคําพูดเป็นการเข้าถึงความนิ่งความไม่เป็นอะไรความไม่ปรุงปรุงต่งแต่ ง, ตงนเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ปฏิบัติของชีวิตเดี๋ยวจะวได้ชีวิตได้ชีวิต นะชีวิตแบบนั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความแก่ความเจ็บความตายเป็นของอันอื่นคนเราเรื่องกับชีวิตแบบนั้นเราจึงมาสร้างกระแสนะความหลงก็เคยก็พูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าความหลงไม่ใช่ชีวิตไปแล้ววะนะความรู้สึกตัวเป็นชีวิตนะั่นกำลังจะมีชีวิตขึ้นมาเอาชีวิตแล้ววะนะความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตความไม่ทุกข์คือชีวิตนะั่น ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจับได้แล้วผู้ปฏิบัติเอาความคิดความหลงคิดไปเอากับรูปสึกตัวเอา้าวได้มีชีวิตขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาเริ่มกระแสน้อ ย, อยไปเกิดเป็นกำเนิดให้กำเนิดเกิดขึ้นแห่งชีวิตผู้เจริญเสติความรู้สึกตัวเหมือนอะเรียมักเหมือนลูกน้อยดูดนมของแม่อะเียมักนะ เหนโลกน้อยดูดนมของแม่ถ้าลูกเขา้าโลกมากโลกมากก็เหมือนลูกน้อยดูดนมความความเจริญเขาก็จะมีไปเองเมื่อเขาดูดนมเมื่อเขากินข้าวที่แม่ปอนเขาก็โตเองเอาโตเองไม่ใช่เราไปโตแทนเขาแต่ว่าเขาเราแม่ก็ต้องเลี้ยงเอานมใส่ปาก เขาก็กลืนของเขาเองเขาก็โตของเขาเองไม่แม่โตให้เขาไม่ได้แม่กลืนแทนเขาไม่ได้พอิ่มโตเป็นของอนุเด็กน้อยเป็นของลูกอ่อนอ่าเขาโตขึ้นเราถูป้อนนมเขาไปป้อนนมเขาไปการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันการให้การเจริญสติจิตญาที่ให้สติมันเกิดขึ้นมาเหมือน แมเรี่ยงลูกน้อยให้กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภาวะแห่งความเป็นพุท ธ, ธะใส่เข้าไปป้อนเข้าไปลู่สึกตัวเข้าไปลู่สึกตัวเข้าไปมรกายลู่สึกตัวมรใจลู่สึกตัวก็ อ, อยู่ในอาลยมักจเจริญเติบโตให้กำเนิดเกิดขังพุท ธ, ธะขึ้นมาพุท ธ, ธะก็จะเจริญเติบโตจนเป็น ความเป็นพุท ธ, ธสมบูรณ์จรูออ้ตื่นเบิกบานพุโทโธรู้ตื่นเบิกบานอรหังไกลจากกิเลสไกลจากข้าศึกธมสัมพุโทโธไม่มีใครนิ่งอยู่ได้ถ้าใครเข้าถึงสภาพแบบนี้ก็ต้องเกิดแจกของสองตะเกียงเพื่อช่วยผู้อื่นเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่มีคำสั่งเป็นไปเอง คนคอยช่วยมนุษย์ช่วยทุกเสียงทุกอย่างอเป็นโพธิสัตว์ชีวิตเพื่อคนอื่นเสียงอืินวัตถุอื่นไปเลยไม่มีใครไปหยุดอยู่เรเข้าถึงภาวะแห่งความเป็นพุทธในชีวิตจิตใจแล้วอพวกเรายิ่งมีครอบมีครวัวมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานยิ่งกระตือรือร้นที่จะช่วยกันไปช่วยกันแล้ววะเนะี่ยแต่กนะ่อนเนี่ย ไปทะเลาะวิพากษ์กันบัดนี้ไปช่วยกันแล้วบัดนี้ไม่อะไรไม่แต่คิดจะช่วยจะช่วยจะทําความดีเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีแสดงออกทางกายกรรมกับมโนกรรมทํากายไม่ได้ทําวาจาไม่ได้กับมโนกรรมมโนกรรมทําได้ทันทีพอเมตตากรุณาเป็นคุณของพระเจ้าเมตตาที่คุณเกิดขึ้นแล้วเอาเมตตาออกหน้าออกตา ในตาที่คุณการุณาที่คุณเป็นคุณของพระเจ้าเสริมเข้าไปช่วยเหลือแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมโนกรรมบริสุทธิ์ที่คุณเอาสนับสนุนให้เกิดความบริสุทธิ์ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทำาะไรก็ตามไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังโดยความบริสุทธิ์ใจปัญญาที่คุณครอบเอาไว้ปิดท้ายลายการทํำไรมีสติมีปัญญาไม่ใช่โง่หลงงมง่าย จะช่วยผู้ช่วยคนช่ยต้องตอบอกต้องสอนก็มีปัญญาปิดวงลิบปิดวงลิบเปิดไวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆแม่มีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาไม่ใช่เกิดจกากเราเราไม่ได้สร้างปัญหาเราเป็นผู้แก้ปัญหาอย่างรีกว่าพุทธภาวะาสอนคนอื่นได้ <c oughs> สอนคนอื่นได้มีผู้รู้ตามมีผู้รู้ตามมีผู้รู้ตามเรียกว่าเป็นหน้าที่อเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปช่วยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่ผหายชนทั้งหลายเหมือนพระพรุทธเจา้าทรงส่องสอนภาษาวกว่าละหันเกิดขึ้นเพียงห้าหกลูปสมัยใหม่ๆก็สั่งไว้เลย จละทาพิกเว้จะริกังพหูชนะในตายะพหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะไปไปไปไ ป, ไปกันกระตือรือล้นไปต่างรูปต่างไปมีงานมีการเต็มหน้าที่พวกเราแม้ได้อะไรก็สอนเท่านั้นรู้อะไรก็สอนเท่านั้น การสอนการสอนการบอกความเอื้องแก่ผู้แจคนเราเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่เป็นบุญเป็นบุญผู้ฟังเราทำมาธรรมะสวรรณ์ใหม่ก็ได้บุญทั้งผู้สอนทั้งผู้ฟังเกิดบุญบุญคืออย่างนี้ทำบุญแบบนี้ธรรมเทศนาใหม่ธรรมะสวรรณ์ใหม่เวย์วัดจไหม่เยอะแยะเกิดแห่งบุญ วยวัตจไมรับใช้พระพุทธศาสนาอะไรที่เป็นการงานของพระพุทธศาสนารับใช้ตามฐานะเรียกว่าเวยวัตจะไมอาจจะไม่ต้องได้เสียเงินเสียทองไม่ใช่ไม่ีอะไรแสดงออกทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็นบุญตลอดบุญเต็มไปทิศไหนทางไหนเออแต่บุญผู้สนะ ตอนการปฏิบัติธรรมมันเป็นกระแสจริงๆไม่มืดแปดด้านเหมือนเมื่อก่อนเราก็เห็นแล้วเราก็สัมผัสแล้วก็ไปแล้วไปถึงที่นั่นแล้วทันทีเห็นความหลงลบไปถึงความไม่หลงแล้วสาเร็จแล้วถึงที่สุดแล้วเอาความรู้สึกตัวเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดได้แล้วถึงแล้วความรู้สึกตัวมีแล้วทาเป็นแล้ว แม้มันมีความหลงควาความหลงหมดไปแล้วเออทำไปแล้วความหลงหมดไปแล้วที่สุดแล้วที่สุดแห่งความหลงความความไม่หลงอทำความหลงให้เกิดความไม่หลงเลยว่าที่สุดแม้ยังมีความโกรธความความโกรธให้เป็นความไม่โกรธที่สุดแห่งความไม่โกรธแล้วหยุดลงไปแล้วยังไนถึงแล้วถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของเราตามทำตามทาตามฐานะกําลังของ ปัญญาของเรายกตอนออกไปยกตอนออกไปนะช่วยตนเองดูแลตนเองเป็น อ, อยู่กับตัวเองเป็นไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนมันสับสนวุ่นวายัาได้เลือกได้ม้เลือกได้ผู้ปฏิบัติเลือกได้จริงๆความหลงเลือกเอาความไม่หลง ความทุกข์เลือกกวความไม่ทุกข์ความโกรธเลือกกว่ความไม่โกรธเลือกเป็นแล้ยังมีก็เลือกได้เข้าข้างสิ่งที่เกิดความชอบเป็นแล้วก็ถ้าจะเห็นก็เห็นหลักเห็นฐานเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นอาการจริงๆอาการที่มันเกิดมีจริงๆเราก็ไม่คล้องไม่ติด ถ้าชื่อว่าอาการแล้วก็ไม่ไม่ใช่ไปเอากิงเอาจังไม่เอามาเป็นสุขไม่มาเป็นทุกข์ไม่เอามาเป็นความหลงเห็นธรรมชาติเห็นอาการเป็นคำตอบในตัวอาการก็ไม่ใช่ของกิง้งแือว่าบางทีก็มีสมมติไม่บัญญัติมีประมาทเป็นประมตททสภาวัธรรม ชีวิตเรามันต้องเป็นสองส่วนสมมตุติปัญญัจัททำให้ชีวิตกระจุยกระจ่ายพลมัตสัจจะทำให้ชีวิตอยู่ในกามือกองลูกกองน้ำถ้าเราไม่ลู้มันกระจุยกระจ่ายเหมือนมดแดงหลังมดแร ง, ง, มแรงเมื่อเราไปถูกมันมันก็กระจุยออกไป แสดงออกไปแตกออกไปวันนี้เราเห็นเราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราใช้ชีวิตตาเห็นลูกโผล่ได้เย็นเสียงจมูกได้กรีนเล่นได้ลดแต่ก่อนมันมีสมมุติบัญญัติเข้าไปสนับสนุนเกิดความหลงเข้าไปสนับสนุนแล้วก็จุยกระจายไปไปจุยไปเลยพอตาเห็นโูกอมผัด ความหลงเข้าไปสนับสนุนเกิดสมมุติบัญญตัติชอบไม่ชอบกระจุยไปแล้วไม่อชอบก็ยึดเอาอุปทานเข้าไปยึดเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไปชอบเกิดความอุปทานเข้าไปยึดเป็นสมมุติบัญญัติบัญญัติไปเอามาเป็นเรื่องเป็นราวจนเถึงยาวออกไปกระจุยไปปัณนี้ผู้มีสติพอตาเห็นรูปเห็น สักว่าเห็นไม่มีสมมติปัญญัติไม่มีความหลงเข้าไปสนับสนุนมีแต่ความรู้สึกตัวตกลงเหมือนเที่ยงก้นขวดก้นเห็นใสฝาผนังไม่ติดไม่ติดตกลงตรงนั้นเห็นแล้วสัมผัสแล้วตกลงตรงนั้นตกลงตรงนั้นถ้าจะเรียกว่าปัญญาก็ามีปัญญาตรงนั้นเป็นความสมบูรณ์เป็นความปฏิบัติธรรม ประมาตสัจจะสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่ครอบครอบครบคลุมปักษณะตาหูจมูกลี่นกายใจแล้วอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็มีประมาทอยู่ตรงนั้นอาการกับธรรมชาติมันก็เป็นอาการเต็มไปหมดในรูปในนาม เคยปวดแล้วพูดดีกอาการของกายความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยเราเห็นชัดๆถามก็ตอบได้ทุกคนมันเป็นยังไงปวดเมื่อยนั่นอาการความง่วงเหงานอนเป็นอาการความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตคิดโน่นชิดนี่เป็นอาการของจิตไม่จริงอาการมันเกิดขึ้นกับมันเองเพราะมันเป็นชีวิตชีวิตมันเป็นอย่างนั้นร้อนไม่เป็นหนาวไม่เป็น ชีวิตที่เป็นเป็นส่วนรูปส่วนนามมันได้มาแบบนั้นแต่ตัวปัญญาก็มีชีวิตไปอีกอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้เกิดชีวิตอีกให้เกิดชีวิตมาหเห็นของเกิงตามธรรมชาติอาการของเขาเป็นปัญญาบนี้เป็นปัญญ า, ญญาทุกคนก็ต้องเห็นความปดความม้ยควา ม, มงงงหอนอนเห็นความคิด เห็นอุปารทานยืดเอาความชิดยืดเอาความโกรธยืดเอาความรักความชังให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้าวันข้ามคืนให้ความวทตกเส้นมองนอนอยู่กับชีวิตเราข้าวันข้ามคืนผู้มีสติหลุดลงไปหลุดลงไปหลุดลงไปแย้ตัวเองก็แจ่คนอื่นไม่ใช่อุปทานอุปทานไม่ได้แก่มีแต่พ่อคูลปนนหอเหมือนดินพ่อตังหมู เรามดถ้สภาวธรรมแจ้ปัญหาแจ้ตัวเรากเท่ากับแจ้คนอื่นเราสงบกว่าคนอื่นก็คอยสงบเราไม่ปรุงไม่แต่งไม่เอาเรื่องเก่าช้ำเช็ดย่ำเชิดย่ำเช็ดเรื่องเก่าก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปเอาไว้หลังเอาไว้หลังปัญหาต่างๆมีเท่าไรเอาไว้ข้างหลังมีปัญหาก็มีปัญญามีหลงก็มีรู้อ่าชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นสะดวกคล่อง เป็นการคล่องตัวผู้เจริญสติเป็นชีวิตที่คล่องตัวไม่สะดุดกับอะไรไม่สะดุดกับอะไรเพราะเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วสติสัมปชัญญะที่เราลุยลุยมาอะไรที่เขาแสดงอะไรเขาแสดงได้เขาก็แสดงออกไปหมดเปลือกความหลงก็หลงอย่างหมดเปลือกความโง่ก็โง่อย่างแบบหมดเปลือกความทุกข์ก็ทุกข์แบบหมดเปลือก เพราะเเกิดจากความหลงเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นของสิ่งต่างต่างพอไม่มีปัญหาเป็นปัญญาก็เกิดจากความรู้นี่แหละได้ตัวสรุปได้หมดสรุปได้บทสรุปแล้วก็ทำเป็นแล้วก็ทำเป็นผู้เจริญสติย่อมทำเป็นไม่มีใครหลงไม่รู้สึกตัวไม่มีใครโกรธไม่รู้สึกตัวนี่มาทางนี่แล้วพอมันโกรธพอมันหลงพอมันทุกข์ี่สติรู้สึกตัว ทำไปทั้งหลายหลายอย่างเกิดพลังขณะที่มีสติมันก็มีศีลนะที่มีสติมันก็มีสมาธิขณะที่มีสติก็มีปัญญาเป็นเป็นพลังร่วมสำหรับผู้เจริญสติเป็นพลังเกิดร่วมแนวร่วมพลังร่วมทำให้เกิดความเข้มแข็งขณะที่เจริญสติ เราไม่เลือกว่าไม่มีไม่ใช่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความอดทนมีศรัทธามีความเพียรมีเมตตากรุณาอยู่ตรงนั้นด้วยรอบตัวเราบริวารเลยวา่าเกิดความเป็นพลังที่แล่วร่วมทาให้เกิดความดีเอาชนะความชั่วได้เอาชนะบาปได้เอาชนะอกุศลได้กุศลชนะอกุศล เป็นสัจธรรมอาธรรมธรรมย่อมชนะอาธรรมอยู่เสมอธรรมย่อมชนะอาธรรมอย่างที่เราสวดอย่างที่เราสวดบทธรรมกครวาทิฏฐาขาถาโยผู้ประพฤติธรร ม, ร ม, มรธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมชนะอาธรรมอาธรรมย่อมนำไปนรก ธรรมย่อมนำให้ถึงสุคติเราเห็นแล้วอธรรมคือความหลงธรรมคือความรู้สึกตัวเราเลือกเป็นไปไวเ่ะเราเลือกเป็นอธรรมย่อมนำไปถึงนรกหลงที่ไรก็ป้อยพัดบ้านพัดเิีนไปโกรธไปรักไปชังไปทุกข์ไปวิตกกังวลสมองนำไปต่ำลงไปต่ำลงไปพอรู้สึกตัวก็ยกขีวิตขึ้นมาลกยกขีวิตขึ้นมาสูง ความโลภความโกรธความหลงทับถมไม่ได้ทำย่อมชนะธรรมอยู่เสมอเรารู้ป่ะเนียเราพบเห็นเราทำเป็นทำได้แม้ทำไม่ได้เป็นบางครัง้งบางคราวแต่ว่าไม่หมดเนื้อหมดตัวไม่หมดเนื้อหมดตัวลุกจากเว้นวักเย่นเราทำงานย ง, ยงยงยากยากเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาทำใหม่เอาไว้ก่อนการพักไว้ก่อนทำทีหลังมันเป็น เหมือนกับเขาวักเว้นวักไว้ถ้าเป็นความหลงเขาวักไว้ก่อนอย่าให้ความหลงมันพืชไปถ้าเป็นความโกรธเขาวักไว้ก่อนอย่าให้ความโกรธมันพืชไปรู้จักเว้นวักไว้ไม่คลุมเว้นวักไว้ก่อนทํามาเดินไว้ก่อนถ้าเป็นความหลุดพ้นถ้าเป็นวิมุตต์ก่อตัดทางค้าวิมุตตัดทางค้าวิมุตต์เนี่ยถ้าเกิดความโกรธ คมไว้ก่อนไม่พูดในเวลาโกรธเรืยอว่าตถางควิมุตติวิขำปนาวิมุตติหนีออกไปก่อนหนีออกไปก่อนถ้ามันทําท่าจะโกรธจะทะเลาะ ก, กันจะทําอันอื่นก่อนอาหนีออกไปควันหนีไม่ใช่วิ่งหนีจากบ้านจากเรือนหรือมีจิตยาที่ไปก็ได้เมื่อจะพูดคำสองคาจะทะเลาะ ก, กันอาลูกไปกวดบ้านกวดเมือง ไปทำข้าวไปอัฐวงอาหารไปซักผ้าถ้าเป็นพ่อบ้านก็ลงจากบ้านจากเรือนไปกวดไต้ถุนบ้านไปเช็ดรถเช็ดลาดูรั่วบ้านดูอะไรเสื้อผ้าถ้าเป็นแม่บ้านก็ดูเสื้อผ้าลูกเต้าที่เขาเลิกจากโรงเรียนมาเขาวางตรงไหนหนีออกไปเล็กๆแต่น้อย ห, อยหรเว้นวักเดยกวาวิ่งขำเปนว้ำมุดออกไปถ้าไม่มีที่ออกไปตาต่อตานะ กายต่อกายก็ไม่ไม่พูดหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เรามีสติรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกเข้ารอบสิบรอบหยุดไว้ก่อนอย่าเอาเรื่องนั้นมาคิดพืชเรียกว่าวิขำปนวิมุตหนีออกไปสมุดเขตตะวิมุติเด็ดขาดไม่ต้องไปไหนตกทันทีเหมือนทิ่งก้อนเห็นใส่ฝาผนัง ตกลงทันทีเขาด่าทีไรก็ตกลงทันทีเขาอะไรก็ตกลงทันทีตกลงทันทีไม่จริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงกว่าความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมแล้วรู้จักเลือกม <c oughs> นันเรียกว่าสมุดเขตแต่เป็มุดตัดเสินใจแต่เป็นเรื่องของจิตใจไม่บันเทาพอหลงก็หลงทางจิตหยุดทันทีพอโกรธก็หยุดทันทีพอทุกข์ก็หยุดทันที เรียกว่าสมุดเขตะวิมุตเด็ดขาดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะมันไม่จริงหลายอย่างที่สนับสนุนให้เกิดความไม่จริงมีสติมีความอดทนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีเมตตากรุณาขณะที่เขาูุเขาด่าสงสารคนที่ลงห้อภัยคนที่ลงเมตตากรุณาสนับสนุนมีสติมีปัญญามีปัญญาตรงนั้นด้วย ไม่ใช่มีปัญญาเมื่อนั่งฟังเทศฟังธรรมมีปัญญาตรงที่เขาเนินทาสฉัรเสิริญมีปัญญาตรงที่ได้เสียไปสุขทุกมีปัญญาตรงนั้นปัญญาไม่ใช่ไปฟังพระเทศปัญญาไม่ใช่ไปคิดนึกหาเหตุหาผลมีปัญญาตรงที่ความหลงมีปัญญาตรงที่ความโกรธมีปัญญาตรงที่ความทุกข์เพราะมันชัดเจนตรงนั้นชัดเจนมากหน้ามือหลังมือ อาจจะว่าแล้วมันเป็นปัญญาความโกรธเหมือนหน้ามือความไม่โกรธเป็นหลังมือนเป็นปัญญาคนละมุมปัญญาก็กําจัดความสกปรกเหมือนเครื่องซักผ้ากําจัดความสกปรกให้เกิดความสะอาดปัญญาก็เป็นเช่นนั้นสิ่งไหนมันสปกปรกสิ่งไหนมันเลวไม่ดีนี่เปลี่ยนให้เป็นดีแนละ้วปัญญา ปัญญาเกิดตรงนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเวลามานทั้งหลายยิงลูกศรมาใส่พระองค์ก็เปลี่ยนลูกศรเป็นดอกไม้ทูบเทียนบูชาอะไรหมายถึงปัญญาปัญญาคือเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีไม่ใช่ลูกศรจกิงๆมันเป็นสอนคือทำให้เจ็บปวดเราเคยเจ็บปวดเพราะเดินทาเพราะสริทสนิทแต่ ต่อไปนี่เราไม่ใช่จะเก็บปวดเพราะเนนทาสัรเสริญเรามีปัญญาเพราะมันเป็นโลกกระทำสมบัติของโลกเกิดม า, าก่อนเร า, าได้การเสียการสุขการทุกเนนทาฉัรเสริญมันเกิดมาก่อนมันเป็นคู่สมบัติของโลกคู่ของโลกใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกสิ่งเหล่านี่จะต้องประสบพบเห็นกับทุกคนเราก็ลูลแล้ววะเนะี่ยโลแล้วเป็นปัญญาแล้ววะนะี่ อเนนทาเออเป็นสมบัติของโลกมันมีมาก่อนเรามันเกิดมาอย่างนี้สรเรเสรญก็มีอย่างนี้เรียกว่าโลกกระทำโลกกระทำเนื้อแล้วแบบเนื้อแล้วเอา้าไม่สุขไม่ทุกข์เพราะเนนทาสรเรเสริญไม่สุขไม่ทุกข์เพราะได้เพราะเสียไม่สุขไม่ทุกข์เพราะเสื่อมเพราะอะไรต่างๆแล้วแบบเอาไว้หลังหมดแล้วเชิงแล้วเนี่ยนะเพราะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วลูกแก้งเก่ง ๆ, ๆ Tig. รูกแก้งเรื่องนี้เก่งๆ รู้กแก้งในความหลงรู้กแก้งในความโกรธรู้กแจ้งในความทุกข์ความหลงหลอกไปได้ความโกรธหลอกไม่ได้ความทุกข์หลอกไปได้เรียกว่าผู้รู้แก้งโลกผู้รู้แจ้งโลกเป็นโลกกับวิถูน้อยๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราไปทางนี้ปฏิบัติธรรมอานในสงของการปฏิบัติธรรมไปทางนี้ไปอยู่บ้านไปทํางานทําการ ทำงานทําการลู่ผิดลู่ถูกกับหมู่กับเม็ดกับเพื่อนร่วม ง, งานหนักแน่นมั่นคงเขาหลงโลาก็ลู่เขาไม่หลงโลาก็ลู่เรารู้ตัวเราตัางหากไม่ใช่ไปจ้องมองคนอื่นมองตอนเองเนี่ยเปลี่ยนดวงตากลับมาข้างในเคยมองคนอื่นวันนี้มามองตอนเหมือนกับส่องเงาในกระจก แต่มองไปข้างหน้าแต่มันมองตัวเองบันดิตย่อมมองตัวเองคนผ่านมองออกไปข้างนอกมองคนอื่นแปลความผิดจากคนอื่นแปลความถูกแก่คนอื่นบันดิตเนี่ยมองตนเปลี่ยนดวงตากลับมามองเรามองตนแม้คนอื่นผิดก็มองเราเมื่อคนอื่นถูกก็มองเรามองตนเองอยู่เสมอบันดิตย่อมมองตนอยู่เสมอ ก็เลยไม่มีปัญหาปัญหาต่างๆมันเกิดจากเราเกิดจากคนอื่นเราแก้ไม่ได้ไอเราแก้ที่เราเราเปลี่ยนที่เร า, เาทุกคนเปลี่ยนที่ตัวเองถ้าทุกคนเปลี่ยนที่ตัวเองโลกมันก็สงบเพียงดิดนิวมือเดียวถ้าทุกคนมองตนมองตน้นไปไปทํางานทําการเพื่อนร่วมงานมีงานในการความยากความง่ายมองตนยากก็เห็นมันยากไม่ใช่เป็นผู้ยากง่ายก็ง่ายก็เห็นไม่ใช่เป็นผู้ง่าย เป็นการกระทำโดยสุจริตบริสุทธิ์ใจเป็นกรรมล้วนๆไม่มอีอะไรเข้าไปเป็นกิริยาการทำงานเป็นกิริยาไม่ใช่ยุ่งเฉยกเป็นกิริยาของคนทำงานต้องแสดงออกมีกายมีสติมีปัญญาไปเกี่ยวข้องกับการกับงานทา ผิดทำถูกมันเป็นงานเป็นการคนที่ไม่ทำงานมันก็ไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกคนทำงานก็ต้องมีผิดมีถูกเป็นธรรมดาใครก็ตามอเราผิดก็เออเราก็ผิดเขาผิดเราก็ผิดไปถูกเป็นถูกไม่จะไปจิงไปจังไปดูไปด่าเออมันก็ผิดเป็นธรรมดาเนาพูดกันดีดีหเห็นความผิดช่วยกันเจ๊ไขเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นความถูกขาวกันสร้างสรรค์ก็ดีเนี่ย ไม่ใช่อยู่นิ่งหอกคนผู้มีธรรมคนผู้มีธรรมนะขยันกวัวเก่าทํางานเป็นกิริยาไม่ไม่เป็นกรรมถ้าเหน็ดเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยแต่ทางร่างกายใจไม่เหน็ดเหนื่อยใจมันขีข่คอมืนกับเขา ว, วิ่งขี่คอคนที่วิ่งอยู่พวกรู้สึกตัวในธทําเนี่ ย, มยไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยเลย ขี่คอคนขี่คอพูดทางานไม่เหนื่อยเหมือนกับว่ามีกายมีจิตยิ่งทางานทำการจิต ก, ก็ยิ่งนิ่มดีนะมันนิ่มตอนที่เรามีงานมีการมีปัญหามันนิ่งตรงนั้นเคยพูดแล้วว่าเหมือนกับรถมีคุณภาพมีสมรรถนะดีเวลาลุยโคล น, นก็เอาพลังออกมาใช้ เวลาขึ้นเขามันเอาพลังออกมาใช้เวลาตกหลุมมันก็เอาความนิ่มออกมาใช้เวลาหลบลาเรี่ยวมันก็เอาพลังของความสมบูรณ์ของลดออกมาใช้ตามคุณภาพของเขาชีวิตที่มีคุณภาพที่เราฝึกฝนมาดีแล้วเหมือนกับคนโบราณพูดว่า ไม่จันแม่จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นแห้งขนาดไหนก็ไม่ทิ้งกลิ่นผู้มีสินมีธรรมย่อมมีกลิ่นสินจินธรรมยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งไม่ทิ้งศินไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งสติไม่จันแม่จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัดเสด็จขึ้นนักลบเมื่อเข้าสู่สงคลามก็ไม่ทิ้งเลลาสงคลามคืออะไรคือโลกคือรสคือกลิ่นคือเสียงเป็นดงแห่งโลก ไม่ทิ่งลีลาลีลาของผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเกี่ยวข้องกับเสียงใดก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดลีลาของนักปฏิบัติาาการทางานทาการผู้เก้าวลงสู่เสียงขามก็ไม่ทิ่งลีลาสัตสิดดนคือนักลบลบกับข้าสึกคือกิเลสจะทำทั้งหลายมีช่องมีทาง เห็นหมดทุกอย่างแล้วเห็นความหลงเห็นความรู้ลีลาแห่งความรู้สึกตัวมาไวมาไวมาไวความรู้สึกตัวอ้อยไม่จะเข้าสู่หีบจนก็ไม่ที่ยงรสหวานไม่มีคําว่าหวานไปอยู่ตรงไหนยังหวานอยู่เขาหีบเขาปั่นเขาไรก็ตามยังหวานอยู่ผู้มีศีลมีธรรมก็อยู่ในศีลในธรรมตลอดเวลาบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้แล้ว แม่จะประสบทุกขจนตายก็ไม่เที่งธรรมไม่ทิ่งธรรมคือความจริงของชีวิตคำว่าทุกข์ไม่มีคําว่าสุขไม่มีคําว่าเป็นอะไรไม่มีธรรมชาติธรรมคือความจริงคือมันเนื่งอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นชัดเห็นแจ้งอยู่แล้วเห็นตั้งแต่ยุโรนเพรามไม่เที่ยงเห็นตั้งแต่อยู่วัดปาสุขโตปฏิบัติเข้ม ความเป็นทุกข์เห็นตั้งแต่ยวัดป่าสุกโตปฏิบัติเข้มเขาใช้ให้ดูหมดแล้วหนังเรื่องเก่าละครเรื่องเก่าไม่มีรสชาติในเรื่องที่เขาแสดงเขาหลงก็ไม่มีรสชาติในความหลงจืดแล้วรสของความหลงจืดไปแล้วไม่มีค่าสําหรับเรารสของความโกรธจืดไปแล้วไม่มีค่าสําหรับเรารสของความทุกข์จืดไปแล้วไม่มีค่าสําหรับทําให้หมดพิษหมดสงแล้วพิษเรื่องนั้นไม่มีแล้วสําหรับเรา มืนพระพุทธเจ้าสแสดงทำเหมือนเราสวดเมื่อกี้นี่กระมภาสิทธิจิตของแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปุ่งแต่งไม่ได้อีกต่อไปอแต่ก่อนนี้เราไม่มีสติได้เล่นท่องเที่ยวมาในสงสารสงสารคือเกิดดับเกิดดับเกิดรักเกิดชังเกิดสุขเกิดทุกข์เรื่องเก่าเกิดข้อเก่าเอามาทุกข์เรื่องเก่าเอามาสุขเรื่องเก่าออกมา โรภมาโกรธมาลงใหม่มีอีกแล้วบัม่มีอีกแล้วมาวิ่งไปในด็ ก, กระชตัตบัดนี้เรามีสติเห็นแล้วของเรือนของเจ้าเราหักเสร็จแล้วยอดเรือนก็ลือเสร็จแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรพงแต่งไม่ได้อีกต่อไปอนี่เรียกว่าจืดแล้วจืดแล้วเรียกว่าปฏิปธรรมเรื่องผู้ บัณฑิตแม่ประสบทุกโจนตายก็ไม่ทิ้งทำไม่ทิ้งความถูกต้องความชอบธรรมความเป็นธรรมเห็นความเกิดความแจกความเจ็บความตายเป็นเรื่องนอกตัวสภาพกิจที่มันนิ่งมันฝึกตีแล้วเนี่ยไม่มีดอกความเกิดความแกความเจ็บความตายในกิจที่บริสุทธิ์ความเกิดความแกความเจ็บความตายมีอยู่ในกิจที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเขาไม่ฝึกตนสุขสน ไปอยู่ในความเกิดสุขสนไปอยู่ในความเจ็บสุขสนไปอยู่์ในความแจความตายวันนี้ไม่สุขสนเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เกลียดขี้ฝุนไม่เปิดไม่เพื่อนกับจึงได้บริสุทธิ์เจริญสติเนี่ยทำให้คิดบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์บริสุทธิ์อย่างนะี้ไปไปอยู่กับครอบกับครบัวไปอยู่กับการทำงานไปอยู่กับมิตรกับเพื่อนไปทําความดีไปทําความดีอย่า <c oughs> อย่าหลงพยายาม พยายามเพียนไปเรื่อยๆอาจจะได้บรรลุทำกระดาษที่ทํางานนี่ก็ได้บรรลุทำไม่ใช่อยู่สุกโตแต่ว่ามันก็บรรลุทำไปแล้วละเพราะมันหลงกับลูกบรรลุทำแล้วมันทุกข์ก็มาก็บลูกเห็นความทุกข์บรรลุทำแล้วมันง่วงเหงาหอนอนรู้สึกตัวบรรลุทำแล้วเราทางเราคุยไปแล้วเราเยียบไปแล้วลอยทางเราเดินไปแล้วเห็นแล้ว มื่เราเดินจงกรมกลับไปกลับมาอา้าวเดินกลับไปกลับมาเป็นทางแบบนั้เราเดินมีสติเดินอยู่บนกายบนใจ เ, าเราเป็นทางให้เราแล้วเห็นทางแล้วเห็นกระแสะแล้วนะเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็พวกเราก็จะกลับวันนี้ตามสมมุติปัญจัตแต่ปฏิบัติไม่กลับไม่ปิดไม่ตรงไหนมีสติเรื่อยไปนะ วันนี้ก็จะปลูก ป, ป่าค <c oughs> ุณหมอประสาทได้ติดต่อทางวิเลยเกษตรเทคโนคณะแพทย์พยาบาลก็จะกลับถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านช่องที่ทำงานทำการตอนเช้า ว, วันนี้ก็จะมีเจ้านาคบวดก็จะไปคนละทิศละทาง ไอ้คีที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็จะสึกวันนี้ก็จะบวชวันนี้พ็จะสึกวันนี้ก็ธรรมดาโน้โรคของเราเกคงไม่ไปไหนจะอยู่นี่เลยแต่ว่าจะไปบวชเจ้าหน้าอาจจะ ก, กลับมาฉันเพนที่นี่แต่ว่าการปลูกป่านี่ต้นไม้ที่ยอมาเดี๋ยวจะพูดกับการหวนสักนะ้อง อ๋อตอนนี้ก็สมควรใช้เวลา